ห้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งวิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงกาชาดนิวส์วันนี้ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลตตินัมซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดในการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี2562หรือ BSA Building Safety Award to Thousand nineteen ค่ะรางวัล น, นี้ไม่เพียงแค่แสดงถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย ของอาคารสถานที่เท่านั้นนะคะแต่ยังแสดงถึงความใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารทุกคนด้วยค่ะ อาจารย์ในายแพทย์กะวีรัตน์ตันติวงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนงานนะคะรวมถึงบุคลากรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งถึงความสำเร็จของอาคารภูมิสรีมังคลานุสร์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอาคารที่พรั่งพร้อมและครบครันด้วยการให้บริการแก่ผู้ป่วยแล้วนะคะยังเป็นอาคารที่ผู้ใช้งานอาคารและ ผู้มารับบริการสามารถเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าเป็นอาคารที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอย่างมากค่ะ ความโดดเด่นด้านความปลอดภัยของอาคารภูมิศริมาคลานุสรเริ่มจากการออกแบบค่ะโดยได้คำนึงถึงการแบ่งส่วนพื้นที่ด้วยผนังกั้นไฟการติดตั้งระบบป้องกันและระงับอักขีภัยซึ่งเป็นการออกแบบอาคารเพื่อจำกัดพื้นที่การลุกลามของไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเช่นประตูการไฟอัตโนมัติระบบอัดอากาศลำดับการแจ้งโค้ดที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเมื่อพบความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหมในเบื้องตน้นดังนั้นระบบ ที่ดีและก็การทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณารางวันในครั้งนี้ด้วยค่ะ สำหรับเกณฑ์มาตรฐานอาคารปลอดภัยนะคะคือการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอาคารรวมถึงกิจกรรมที่แสดงถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะยังมีปัจจัยนะคะที่ทำให้อาคารภูมิสริมังคารุสสรได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็คือความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายค่ะตั้งแต่การออกแบบอาคารที่ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมายรวมถึงระยะ ก, การก่อสร้างก็ได้ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานและก็ถูกต้องตามแบบค่ะ และที่สำคัญที่สุดนะคะคือการใช้งานอาคารที่ไม่เพียงแต่ผู้ดูแลอาคารต้องปฏิบัติงานเพื่อให้การใช้งานอาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้นนะคะอยัางได้ยวรับความร่วมมือจากบุคลากรผู้ใช้งานอาคารทุกฝ่ายที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อมต่างๆตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอค่ะเช่นการซ้อมดับเพลิงการซ้อมอพยพหนีไฟและก็การทบทวนแผนปฏิบัติการค่ะ นอกเหนือจากความปลอดภัยของอาคารที่ต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอแล้วนะคะการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในอาคารก็จะมีส่วนช่วยเติมเต็มให้อาคารภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นอาคารที่ดีและมีมาตรฐานระดับสากลค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงสนทนารอบรั่วค่ะ รายการ Red Cross On Radio สนับสนุนรายการโดยสำนักษารณิเทศและสือสารองงกรสพากาชาตไทยและม ح าวิทย cules เทคโนโลยีราชมงค์ขนธญ scheint vois pink มちゃลายนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาทย์เทคโนโลยีและนวันตกรรมพิธิ์พิตัพัลน์บัวมหาวิทย breadth และเทคโนโลยีราชมงค์ขนธ�ชัย яд suspic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 ごめんなさい。บางวนท みだいあたけ。 クリアです。 แค่たんาก เลสคอร์ดออนเรดิโอช่วงสนทนารอบรั้ว พัฒนารอบรู้นะคะวันนี้มีเรื่องราวของนวัตกรรมมุ้งป้องกันความสกรปรกในระหว่างการใช้เครื่องเอกซเรย์ในห้องผ่าตัดชนิดด้ามจับยืดหดได้ค่ะเมื่อพูดถึงการผ่าตัดแน่นอนนะคะว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือความสะอาดและปราศจากเชื้อค่ะเพราะหากมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดแผลติดเชื้อซึ่งต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วยนะคะ ในผู้ป่วยบางรายที่เกิดการติดเชื้อรุนแรงนะคะอาจจะต้องถูกตัดแขนหรือว่าขาหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการเอกซเรย์ในห้องผ่าตัดก็เป็นหนึ่งในปัจจัยค่ะที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดกระดูกที่จะมีเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์มหรือเครื่องฟลูรสโคปี opy, ค่ะที่ลักษณะการทำงานของเครื่องสมุนไปมารับเตียงผ่าตาดัดและมีบางจังหวะที่ส่วนขาของเครื่องเอกซเรย์นี้ฉูดเคลื่อนค่อนข้างสูงค่ะเข่าใกล้เตียง ผ่าตาัดทำให้ตัวเครื่องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับผ้าปูเตียงหรือสัมผัสกับแพทย์ที่กำลังทำงานอยู่ค่ะเมื่อแพทย์จับผ้าปูเตียง แล้วไปสัมผัสกับแผลของผู้ป่วยก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นได้ทุกครั้งที่มีการใช้งานเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มพยาบาลประจำห้องผ่าตัดก็จะใช้ผ้าปราศจากเชื้อคลุมเครื่องเป็นครั้งครั้งไปซึ่งส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองผ้าตามมาค่ะเนื่องจากในการหมุนเครื่องในแต่ละครั้งต้องใช้ผ้าปราศจากเชือ้อผืนใหม่มาคลุมแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มจะสะอาดและปราศจากเชื้อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าผ้าที่ใช้ไม่ได้ปิดคลุมตัวเครื่องได้อย่างมิด และก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันความสุกกระบวนการอย่างสมบูรณ์ค่ะ อาจารย์ดอกตรในแพทย์สรานตันทวิสุทธ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาออโทโปิดิกคณะแพทยศาสตร์จรรุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคิดค้นในวัตกรรมมุ่งป้องกันความสกระปรกระหว่างการใช้เครื่องเอสเซเรในห้องผ่าตัดชนิดด้ามจับยืดหดได้หรือที่เรียกว่าสีกราดขึ้นค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้โดยรอบทำให้แพทย์ที่กำลังผ่าตัดสามารถเข้าใกล้ประชันชีตเครื่องเอสเซเรได้โดยไม่ต้องกลัวการปนเปื้อนและใช้งานได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวค่ะ โดยติดอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะไว้ที่เตียงผ่าตัด ก็สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อมีการใช้งานที่เครื่องเอ็กซ์เรย์แบบซีอาร์มก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผ้าปัสตจักเชื้อคลุมตัวเครื่องอีกนะคะลดการสิ้นเปลืองผ้าอีกทั้งช่วยลดเวลาในการผ่าตัดได้อย่างมากค่ะนวัตกรรมนี้ช่วยให้แพทย์ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นและทำให้การผ่าตัดนั้นมีความแม่นยำขึ้นค่ะเพราะแพทย์สามารถหมุนเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบซีอาร์มขึ้นมาดูได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการโดยไม่ต้องกลัวการปนเปื้อนส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะ อาจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สรานยังได้กล่าวถึงที่มาของการสร้างนวัตกรรมนี้นะคะว่าจากประสบการณ์ในการทำงานทำใหเห็นปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครื่องเอ็กซเรย์แบบซีอาร์เมื่อครั้งที่ไปศึกษาต่ อ, อยังต่างประเทศค่ะซึ่งพบว่าหลายแห่งนะคะมีทางออกสำหรับปัญหานี้อยู่แล้วจึงเกิดความคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ขึ้นจากของเดิมที่มีอยู่แล้วโดวยทำใหสมบูรณ์แบบมากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นด้ามจับมีกลไก ย, ยืดหดได้ซึ่งชัวร์แพทย ะะจะทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะนวัตกรรมมุ้งป้องกันความสกระปรกระหว่างการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ในห้องผ่าตัดชนิดด้ามจับยึดหดได้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตเพื่อใช้ในผู้ป่วยจริงค่ะได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบาตัตรพร้อมได้รับการอนุมัติอนุสิทธิบาตัตรเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่อีเมล stan tavi sut@gmail.com ค่ะพักสักครู่เรากลับมาพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ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 ต่อสับถามหรือปรึกษาฟรีโท 02-592-1999 สุดท้ายเธอก็มาทิ้ง<อ>ฉันไปมันเหมือนไม่มีความหมายกับเธออีกต่อไปเธอทำให้ฉันตายใจเธอทำให้ฉันไว้ใจ くっちゃん メンジャージョンドンロンハイフラウダイバックラブメイワイ 「キューシャン来てくれた」私 よいしょ。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 เซ็สคอร์ตออนเรดีโอช่วงความรู้ผู้สุขภาพ สู่ช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะกับประโยชน์ของมะรุมการรับประทานการใช้มะรุมเพื่อสุขภาพและข้อควรระวังมะรุมเป็นพืชพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมายทานได้แทบทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนใบฝักดอกมเมล็ดรากจึงไม่แปลกที่คนโบราณเขาจะนำเอาฝักอ่อนนั้นมาใส่ในแกงส้มเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> คุณค่าทางอาหารนะคะบ้างก็นำมาลวกจิ้ม น, น้ำพริกกะปิอีกทางมะรุมก็ยังมีตัวยาสำคัญและสารอาหารจำเป็นหลายอย่างจึงมีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันโรคและอาการเจ็บป่วยได้มากมายค่ะฝักมะรุมโสดมีคุณค่าทางโภชนาการอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีฟอสฟอรัสแมกนีเซียมคาร์โบไฮเดตและโปรตีนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดได้แก่ไขมันใยอาหารแคลเซียมธาตุดเหล็กแม ก, กนีเซียมโซเดียมสังกะสีวิตามินบีสองบีสามบีห้าบีหกและวิตามินบีเก้าค่ะประโยชน์ของมะรุมใช้รักษาอาการหวัด แก้ไออาการภูมิแพ้มารุมอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสามารถนำมาใช้รักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กได้โดยทำให้ร่างกายนั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นในมารุมมีสารอาหารหลายชนิดจึงสามารถทดแทนสารอาหารที่ขาดไปแต่ก็ต้องทานอาหารอื่นๆเพื่อเสริมแร่ธาตุสารอาหารให้เพียงพอด้วยค่ะ รักษาโรคเลือดออกตามไรายฟันเพียงนำใบมารุมมากินเป็นประจำโดวยอาจนำมากินสดๆหรือนำมาประกอบอาหารก็ได้ค่ะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหงือกและฟันจึงไม่ทำให้มีเลือดออกตามไรายฟันค่ะรักษาโรคเบาหวานควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดและลดระดับน้ำตาลให้น้อยลงช่วยบรรเทาและชะลออาการของโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีส่วนในคนปกติเมื่อรับประทานมารุมเป็นประจำจะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ค่ะ สามารถลดระดับความดันโลหิตและลดอาการอื่นๆที่เกิดจากความดันโลหิตสูงได้ค่ะเช่นปวดศีรษะนอนไม่หลับบรรเทาอาการปวดปวดตามข้อช่วยลดอาการปวดตามกล้ามเนื้อและกระดูกได้เป็นอย่างดีรวมถึงช่วยลดอาการอักเสบได้ด้วยค่ะลดระดับไขมันในเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบำรุงเลือดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและใช้รักษาอาการของโรคโลหิตจางได้อีกด้วยค่ะ การทานมารุมเป็นประจำจะช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายให้เป็นปกติทำให้ร่างกายนั้นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเกิดความผ่อนคลายพร้อมทางช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอหรือว่าบอบช้ำให้ฟื้นฟูและกลับมาทำงานได้อย่างเป็นปกติเร็วขึ้นค่ะ บำรุงสายตามีวิตามินเอสูงมากค่ะจึงสามารถใช้รักษาอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับดวงตาได้ทั้งอย่างช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาให้แข็งแรงป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตารวมถึงโรคต้อในตาโดวยเฉพาะคนที่ต้องทำงานจ้องหน้าจอคอมเป็นเวลานานซึ่งอาจทำให้ดวงตามีอาการเหนื่อยล้าตาแห้งและผ้าหมัวได้ค่ะ ช่วยบำรุงผิวให้สวยใสยเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่มกระจ่งางใสดูอ่อนเยาว์ปราศจากริ้วรอยซึ่งเป็นการบำรุงผิวพรรณตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะหากอยากมีผิวสวยสุขภาพดีมารุมเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะต่อต้านมะเร็งด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในมารุมสามารถต่อต้านการเกิดมะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างดีค่ะ นอกจากประโยชน์มากมายของมะลุมแล้วนะคะก็อยัางมีข้อควรระวังในการรับประทานมะลุมด้วยค่ะเพราะมะลุมมีพิษ ท, ที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเลือดเพราะทำให้เม็ดเลือดแตกง่ายและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นก็ไม่ควรรับประทานมากเกินไปค่ะเพราะจะทำให้เสี่ยงต่อ ก, การแท้งลูกได้สูงนะคะรวมถึงผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียได้ค่ะ สำหรับผู้ที่ทานมารุมต่อเนื่องเป็นเวลานานควรตรวจการทำงานของตับนะคะเนื่องจากผู้ป่วยบางรายที่ใช้มารุมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานพบเอนไซม์เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ควรเลือกใบที่ไม่แก่หรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปทานสดสดและไม่ถูกความร้อนจนเกินไปก็จะทำให้ได้ประโยชน์จากสารอาหารอย่างเต็มที่ค่ะ เห็นไหมคะว่ามารุมมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นลดความดันโลหิตสูงควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดต้านการอักเสบฉะนั้นมากินมารุมให้ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังกันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ